ไปสวดมนต์เนาะเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์เราเวลาเราปฏิบัตินะ่ะบางทีเราเกิดความรังเกียจนะหรือว่าครั้งเราก็เกิดความท้อใจนะ่ะบางครั้งเราก็เกิดความสับสนใจนะ่ะบางทีเราก็เอา พระพุทธเจ้านะเป็นแบบอย่าง <c oughs> เวลาเราติดกับความสุขนะอันนี้เราไม่คินอันนี้เราไม่คุ้นนะอันนี้ทำไมมันลำบากเหลือเกินเนี่ยนะเราลองคิดถึงอย่างชีวิตพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตั้งแต่ท่านประสูตรจนทั้งท่า น, านขอองเรือนก่อนที่ท่านจะออกบวชเนะี่ยก็ ชีวิตท่านอยู่ในความสะดวกสบายทุกอย่างนะหรือแม้แต่เจ้าชายหลายๆพระองค์นะที่ออกบวชนะหรือว่าเศรษฐีหลายๆคนนะในสมัยพุทธกาลนะที่ออกบวชนะนะหลายๆท่านก็คือเป็นคนที่มีความพร้อมทางด้านวัตถุ แทบทั้งหมดนั่นแหละนะไมาเคยได้รับความลําบากทางเรื่องปัจจัยสี่หรือว่าเครื่องอานวยความสะดวกของชีวิตนะที่จริงแม้แต่ในยุคลังๆนะก็มีมีเศรษฐีหลายท่านหรือว่ามีคนที่มีฐานะดีหลายคนนะหรือมีฝรั่งหลายท่านที่ก็มีชีวิตควาเป็นอยู่ที่สะดวกนะแล้วก็มาบวชนะ ท่านก็ตั้งใจศึกษาปฏิวัติธรรมแต่พระพุทธเจ้านะท่านก็เคยเคยตัดไว้นะนี่ก็อ่านในในหนังสือนะท่านบอกตอนออกบวชนะพอออกบวชแล้วบินทบาทวันแรกนี่โอ้ท่านรับอาหารจากชาวบ้านนะพอเห็นอาหารแล้วก็คืนอาหารลงไปในคำแรกนี่ จิตก็เกิดความรู้สึกสอือสอเอือนนะเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่มันไม่คุ้นปากเนาะหรือว่าไมออ่อาจจะไม่ถูกลิ้นด้วยนะท่านก็เตือนตัวเองนะ เ, เราตอนนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าชายแล้วนะเราเป็นพิสุเราเป็นนักบวชนะถ้าแค่เรื่องอาหาร แค่นีนะ้เธอยังรับประทานไม่ได้นะเธอจะมาระลึกอะไรถึงการที่จะตัดสุดูธรรมะพรนะเจ้าก็เตือนตัวเองในทํานองแบบนี้ว่าออถ้าแค่เรื่องนะเรื่องรสชาติของอาหารหรือว่าความไม่สะดวกสบายทางร่างกายนะเอามาเป็นข้ออ้างในการ ใช้ชีวิตประพฤติพรห ม, มจรรย์เนี่ยก็ท่านบอกว่าก็ยากที่จะเข้าถึงพรห ม, มจรรยนะ์อันนี้ก็เป็นการเรียกว่าค่อยๆเคียเ่ยวเข็นตัวเองนะค่อยๆสอนตัวเองนะอย่างอื่นก็คงเช่นเดียวกันนะนะเนา ะ, นะเคยนอนในพระราชวังเคยนอนในที่นอนอย่างดีนะต้องมานอนใต้โคนไม้นะ ก็ต้องมาอยู่นะนะมาเดินกลางแดดมาเดินโดยทางที่ไม่มีคนดูแลนะมันก็เป็นความลำบากทางกายนะแต่ถ้าเราคิดถึงนะบางทีเราก็ต้องคิดถึงว่าเออบางทีเราก็ต้องคิดถึงความสุขที่ปานนี้ความสุขที่สงบสุขจริงๆถ้าเราก็พึ่งจริงๆเนะีนะ่ยเราก็จะได้รับความสุขตัวนั้นเป็นสิ่งตอบแทน เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้อยท่านก็ได้พิจารณาแล้วว่าบางทีความสุขทางโลกเนาะมันก็ไม่สามารถที่จะให้ความสุขที่แท้จริงแก่ชีวิตของเราได้ความสุขทางโลกก็ให้นะให้เราได้อยู่สะดวกสบายแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราสุขไปมากกว่า น, นั้นได้เมื่อท่านพิจารณาแบบนี้แล้วก็ เออแม้เราไม่สบายทางกายนะด้วยอาหารด้วยที่อยู่ด้วยเสื้อผ้าด้วยปัจจัยอื่นๆอีกสารพัดนะแต่อย่างน้อยเราก็มีเวลาได้สำหรับการได้ภาวนาได้เต็มที่นะไม่ต้องมีการงานทางโลกมาเป็นภาระนะไม่ต้องมีเรื่องราวต่างๆให้วุ่นวายใจ เราก็อาศัยโอกาสนั่นแหละเป็นโอกาสภาวนาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะเข้าใจธรรมะก็สแสวงหาเหมือนกันนะสแสวงหาสแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะสอนแต่ส่วนใหญ่สมัยนู้นก็สอนแค่เรื่องการทำสมาธิสามารถเข้าสมาธิได้เท่ากับอาจารย์แต่ท่านก็เห็นว่าสมาธิ ในสมัยก่อนพุทธกาลนึ่ก็เป็นสมาธิที่แบบเราก็แค่สงบเฉยๆนะสงบแล้วก็ออกมาจากความสงบคล้นะายๆเข้าไปพักจิตนะพอสักพักหนึ่งจิตมันก็คลายจากสมาธิพนะาออกมาก็ยังมีความพุ้งซ่านมีกิเลสขึ้นในจิตเหมือนเดิมนะทำไมสมาธิ ถ้าเราเคลื่อนแค่เข้าๆออกๆออกแบบนั้นมันมีอะไรดีหรอนะก็เชื่อว่าหลายท่านนะก็คงเคยเคยทําสมาธิแบบนี้นะดีย๋ยงผมเองก็เคยทําแล้วมันก็รู้สึกว่านะมันก็เข้าไปพักแล้วสกพักเหมือนก็ออกมาวันหลังเราก็เบื่อเข้าหลังเราก็ทําใหม่นะบางวันก็ทําได้ดีบางวันก็ทําทได้ไม่ดีนะ วันไหนเราทําได้ดีเราก็รู้สึกว่าเราดีเราเก่งวันไหนเรารู้สึกว่าเราเข้าได้ไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเราแย่เราไม่เก่งแต่สุดท้ายก็คือมันก็มีตัวตนนะมีตัวตนว่าเราดีหรือเราเก่งหรือเราไม่ดีหรือเราไม่เก่งนะจากจากสภาวะของสมาธิอันนี้รวมถึงความรู้สึกชอบความรู้สึกไม่ชอบเลยคือมันก็ ถ้าเราไม่เห็นตัวนี้นะมันก็ไม่ละตันหาแต่ถ้าแต่ก่อนถ้าเคยฝึกวิปัสสนามามากกว่านี้อาจจะเออเราก็ตามรู้อีกทีก็ได้นะ่ะบางทีก็อาจจะทำสมาธิเหมือนเดิมก็ได้นะแต่เมื่อเกิดตัวตนขึ้นมาเช่นรู้สึกว่าเราดีหรือเราไม่ดีเราเก่งเราไม่เก่งรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเรามาตามรู้มาอีกทีนึงนะ ถ้าทำแบบนี้ก็เป็นวิปัสสนาได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเราเพียงแค่ติดในแง่ดีไม่ดีสงบไม่สงบเนี่ยมันก็จะเป็นเพียงแค่ตอนถ้ามันดีมันสงบก็เป็นแค่สมถะตอนไม่ได้อะไรก็มันก็แค่ได้ฝึกความอดทนอดกั้นไปมันก็ดีในระดับที่ที่ต่าๆลงมาแต่ถ้าจะดีขึ้นไปกว่า น, นั้นเออ มันจะดีหรือไม่ดีไม่สำคัญนะสำคัญเท่ากับเรารู้อารมณ์ของเราไม่นะเราเห็นความพอใจเห็นความไม่พอใจหรือเปล่านะเราเห็นตัวตนที่มันสร้างขึ้นมาหรือเปล่าเนะี่ยถ้าเราเห็น เ, ออเราละตรงนั้นแะละนะถอนความพอใจความไม่พอใจนะเรานะตัดความไม่รู้ความจริงนะนะก็คือ การเห็นว่าตัวตนจริงๆมันไม่มีนะมันเป็นการสร้างขึ้นมาในจิตนี่เองนะเป็นการที่เราสร้างแล้วก็ยึดถือนะยึดถือว่าเป็นเรานะบางทีก็เป็นเราดีบางทีก็เป็นเราไม่ดีนะมันก็เลยกลายเป็นผู้สุขกลายเป็นผู้ทุกข์ขึ้นมาอ๋ออันนี้คือตัวตนที่ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะในแต่ละในแต่ละขณะจิตอันนี้ สมัยก่อนนะทำพุทธทสมาธินะน่ะคนอาจจะยังไม่เห็นตรงนี้ก็เลยไม่พ้นจากความทุกข์ก็เลยไม่เข้าใจความจริงนะทำหวังแค่ความสงบหวังแค่ความสุขนะแต่ถ้าเราทำดีๆก็อย่างที่ว่าเราก็ดูสภาวะอารมณ์ของกายของใจในขณะที่ทำแบบนั้นก็ได้นะก็จะเป็นการเจริญวิปัสสนาแต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ พอทำแล้วมันแค่สงบแล้วก็ไม่สงบเฉยๆท่านก็หาทางนะคิดว่านะกายกับใจนี่มันสัมพันธ์กันเนาะถ้าเราทำกายให้มันทุกข์ทรมานเนี่ยนะเดี๋ยวใจมันจะเดี๋ยวมันจะดุดออกมานะเป็นอิสระออกมาจากความทุกข์ทรมานแบบนั้นหรือท่านอาจจะคิดเหมือนคล้ายๆเหมือน สมมติมีใครอยู่ในบ้านนะถ้าเราเผาบ้านดังนี้นะเดี๋ยวคนอยู่ในบ้านมันทนไม่ไหวมันก็ต้องออกมาของมันเองนะสมัยก่อนนะคนก็คิดว่าการทรมาณร่างกายนั่นแหละจะทำให้จิตมันพ้นจากความทุกข์นะก็คิดแบบนี้ก็ดูเป็นตรร ก, กะก็ก็ถูกนะใช่ไหมืมันเราถ้าอยู่ข้างในถ้าไม่มีใครเออถ้ามีคนเผา เราก็ต้องรีบหนีออกมาแต่ปัญหานะคือว่าไอ้ความหลงของเราเนี่ยเราก็หลงยึดกายว่าเป็นของเราเราไม่ยอมหนีง่ายๆหรอกเราก็ไม่ไม่ไม่ยอมที่จะหนีเพราะพุทธเจ้านะท่านเคยยกตัวอย่างไว้นะท่านบอกว่าบางครั้งนะจิตของความหลงเนะี่ยมันก็คล้ายๆเหมือนกับเหมือนกับเด็กนะ เด็กที่ชอบเล่นตุ๊ ก, กตานะชอบตุ๊กตาเด็กอยู่ในบ้านนะมีตุ๊กตาอยู่เต็มบ้านไปหมดเลยอนะพอไฟไหม้บ้านเนี่ยโอ้เด็กมันนักตุ๊กตามากมันไม่ยอมหนนะีมันห่วงแขนมันอยากจะอยู่กับตุ๊กตาแบบนั้นเพราะว่าถ้าหนีไปตุ๊กตาก็ถูกไหม้หมดนนะนะจิตของคนส่วนใหญ่ก็แบบนั้นแหลนะอมันห่วงแขน อยู่ในสภาวะที่มันอยู่มันเป็นนั่นแหละนะไม่อยากจะออกมานะแม้มีไฟไหมแม้มีความทุกข์มเผาร้อนขนาดไหนนะมันก็ก็ยากที่จะหนีออกมาแต่ถ้ามีผู้รู้นะมาแนะนำมาให้อุบายนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกถ้าเป็นเคสแบบนี้นะมีเด็กนะที่รักตุ๊ ก, กตามาก แล้วก็ไม่ยอมออกมาแม้ผู้ใหญ่จะชวนแม้ผู้ใหญ่จะเตือนแม้ผู้ใหญ่จะเร่งรีบให้ออกมาเธอออกมาเธอไฟไม่หมดแล้วเดี๋ยวเจ้าจะตายนะเน็กก็ไม่ยอมออกมาพระพาะวิทยต้องต้องบอกว่าบางทีต้องอาศัยอุบายอุบายประมาณว่าหนูหนูรักตุ๊กตาใช่ไหมน่ะตุ๊กตาของบ้านในบ้านของหนูเต็มเต็มหมดเลยใช่ไหมแต่เราจะให้แต่ข้างนอกนี่ มีโรงงานตุ๊กตาเยอะแยะมากมายเลยนะอถ้าหนูออกมาเดี๋ยวเราจะให้ตุ๊กตาเยอะแยะมากมายสดับหนูเลยนะอืเด็กคนนั้นถึงยอมนะยอมเชื่อพระพุทธเจ้าออกมานะเพื่อมาหาตุ๊กตาตัวใหม่ที่ดีกว่าที่เยอะกว่าบางทีจิตของคนเราบางทีก็ต้องอาศัยแบบนี้นะเป็นอุบายนะอืม เราคิดว่าความสุขทางโลกมันดีมันมากอยู่แล้วนะแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกความสุขในทางธรรมนี่มันมันเยอะกว่านะออกมาเถอะออกมาเถอะออกมาจากโลกเถอนะมันนิดเดียวมันไม่มากนะตอนนี้ไฟกำลังไหม้เธออยู่ด้วยนะกาลังทุกข์อยู่ด้วเธอออกมาหาตุกตาใหม่ข้างนอกดีกว่านะก็เหมือนพระพุทธเจ้าเชิญเชิญพวกเราเนาะออกมาหาความสุขนะ ที่สงบมากกว่าออกมาหาความสุขที่นะมีมากกว่านะในทางโลกนะอันนี้ก็เป็นความจริงนะพระเจ้าไม่ได้โกหกนะันก็เป็นจะเรียกว่าความสุขก็ไดนะ้แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นอุบายทาให้เขาพ้นจากความทุกข์ในขณะนั้นก็ไดนะ้ทำให้เขาเลิกยึดติดนะในตุกตาที่เขาถือครองอยู่ทาให้เขาพ้นจากสภาวะที่จะถูกไฟไหม้นะ บางคนก็เป็นแบบนั้นจริงๆแหละนะทุกเท่าไรนะก็ยังไม่เลิกยึดติดในความคิดในตัวตนในสิ่งที่เป็นความทุกข์นะยิ่งเศร้าก็ยิ่งติดในความเศร้านะจมในความเศร้าออกจากความเศร้าไม่ได้แม้มีคนอยากจะชวนมีคนอยากจะช่วยให้ออกก็ไม่ยอมออกอืมแต่ถ้าเรามีปัญญาของเราเองหรือว่ามีผู้รู้มาคอย แนะนำมาคอยช่วยนะก็จะเหมือนเราก็จะออกมาจากเพลิงของความทุกขนะ์มาหาความสุขที่สงบกว่านะแตนะ่ถึงที่สุดแล้วนะท่านก็ต้องชี้ให้เห็นว่าแม้แต่การติดในความสุขเองมันก็ยังเป็นความทุกข์นะเหมือนกับเด็กนะตอนเด็กๆ ก, ก็ยังติดในตุก๊กตาอยู่นะ แต่ถ้าเขาโตขึ้นมาเขาก็จะรู้กันว่าตุ๊กตาเป็นเพียงแค่ของเล่นนะมันเป็นเพียงแค่ความสุขนะชั่วคราวนะนะเขาก็จะค่อยๆละวางตัว น, นั้นเป็นอิสระจริงๆนะไม่ยึดติดนะทั้งตุ๊กตาภายในบ้านและตุ๊กตาภายนอกบ้านนะที่ได้มาใหม่ที่มากกว่าเดิมก็เหมือนกับคนที่เมื่อนะ ละความสุขทางโลกนะมหาความสุขทางธรรมแต่ถ้าถึงที่สุดได้จริงๆท่านก็ไม่ติดทั้งความสุขทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะท่านก็เป็นอิสระได้นะแต่บาทีเราก็ต้องเรียกว่าความสุขเพื่อให้คนได้ได้เข้าใจหรือคนได้แสวงหานะแต่ก็มันมันก็เรียกว่าสุขมันก็ถูกก็เป็นเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบนะสุข ที่มีความสุขใจจริงๆนะสุขโดยที่อาจจะไ ม, ไม่ต้องมีอะไรเลยก็มีความสุขได้นะไม่ต้องมีเงินทองก็ได้ไม่ต้องมีที่เสียงเกียติยศก็ได้ไม่ต้องมีบริวารพวกพ้องก็ได้นะมันเป็นความสุขที่เกิดจากการรู้จักรู้จักธรรมชาติของชีวิตจริงๆนะ รู้จักว่ากายเป็นแบบไหนจริงๆรู้จักว่าใจเป็นแบบไหนจริงๆนะอันเนี้ยเป็นความสุขที่นะถ้าเราทอ้อนะถ้าเราเหนื่อยถ้าเรานะสังดังเลสงสัยนะตอนขนาที่ภาวนาเนาะบางทีล้วก็เนี่ยแหละเอาตัวอย่างพระพุทธเจ้าเอาตัวอย่างพระสาวกต่างๆนะอ่านะมาเป็นตัวอย่างว่าท่านที่จริงท่านก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยร้า มาสารพัดเหมือนกันกว่าจะเข้าถึงความจริงตอนนี้นะหรือบางทีเราก็อาจจะต้องตั้งความหวังกับตัวเองนะที่เราทำนี้ก็เพื่อความสุขที่มันที่มันมากกว่าความสุขเดิมๆที่เราเคยสัมผัสนะแต่ที่จริงยิ่งทำก็ยิ่งน่าอัศจรรย์ว่าที่จริงเราไม่ต้องไปคอย หาความสุขเมื่ออีกสิบปีข้างหน้าหรือเมื่อตอนหลังจะตายนะแต่เราจะค้นพบว่าที่จริงความสุขนี้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยนะมันอยู่ที่ในกายในใจนี้ตอนนี้เลยนะเมื่อไรที่เราทำความรู้สึกตัวนะจิตก็จะค้นพบความสุขอยู่ภายในนะ คล้ายๆเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนไกลไม่ต้องเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าเราอยากจะให้กายเราไม่เหนื่อยนะก็เพียงแค่เรานั่งพักหรือเรานอนลงนะกายมันก็ไม่เหนื่อยละแต่ถ้าเราไปแสวงหาความไม่เหนื่อยกายโดยการวิ่งหาโดยการเดินหาโดยการตากแดดตากฝนนะอย่างไง ร, ร่างกายมันก็ยังเหนื่อยอยู่เพราะว่าเรายัางเดินเพราะเรายัางต้องใช้พลังงาน หรือเราตากแดดตากฝนไปคอยแสวงหาอยู่นอกตัวนะคิดว่าความความไม่เหนื่อยกายนะมันจะอยู่ข้างนอกเมื่อเราเจออะไรสักอย่างหนึ่งนะเหมือนคนคิดว่าไปแสวงหายาอมาตากนะไปเที่ยวแสวงหาเพื่อมากินเพื่อมาใช้เราจะมีความสบายตลอดไปแต่ที่จริงนะมันง่ายนิดเดียว ถ้าเราอยากสแสวงหาความไม่เหนื่อยทางกายเรานั่งลงไปเรานอนลงมากายมันก็ได้พักแล้วที่จริงการสแสวงหาความสงบทางจิตความไม่เหนื่อยทางจิตหรือพราความสุขทางจิตนี่ก็เหมือนกันนะแค่เราหยุดนะหยุดการสแสวงหาสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นความสุขในอนาคตนะสิ่งที่เราคิดว่า ถ้าเราได้สิ่งนี้มันจะมีความสุขถ้าเรามีสิ่งนี้มันจะมีความสุขถ้าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เราถึงจะมีความสุขถ้าเราหยุดสร้างการปรุงแต่งตรงนั้นขึ้นนะแล้วก็หยุดไปติ ด, ตดกับอดีตในความสุขในอดีตนะแต่ก่อนอาจจะเคยมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้มันมีความทุกข์เข้ามานะตอนนี้มันไม่สุขเท่าเดิม ถ้าเราไม่คอยไปสแสวงหาความสุขในอนาคตแล้วก็ไม่ยึดติดกับความสุขในอดีตนะแล้วก็เพียงแค่ให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตมันรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะมันเป็นอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นนะไม่ต้องเอาความชอบความไม่ชอบนะมานลูกรันะ้ะจิตมันก็จะมีความสุขความสงบของมันเอง เนี่ยเราก็จะสัมผัสตรงนี้ได้อ๋อถ้าแค่นี้มันก็มีมันก็เพียงพออยู่แล้วเนาะไม่ต้องไปค่อยเที่ยวสแสวงหาจากที่ไหนเลยนะแค่เราทําใจให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว ใ, ใจก็เป็นสมาธิใจก็มีสติใจก็มีความสุขเกิดขึ้นออันนี้แหละเพียงแค่กลับมาบ่อยๆเนาะนะกลับมาบ่อยๆ จิตกลับมาได้บ่อยๆเมื่อไหร่จิตก็มีความสงบมีความสุขเมื่อนั้นแม้ในขณะที่เราฝึกอาจจะมีความหลงเผลอไปอดีตเผลอไปอนาคตเผลอไปคิดสแสดงหาความสุขภายนอกตัวหรือสแสดงหาความสุขที่ในอนาคตน ะ, ะเราก็ไฟ่ๆกลับมานะไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลกับมันไม่ต้องแปเดีไม่ดีกับมันนะเพียงแค่รู้ว่ามันหลงไปนะ กลับมาดูลมหายใจนะกลับมาดูการเคลื่อนไหวกลับมาดูความรู้สึกภายในใจนะดูแบบไม่ต้องตัดสินดูแบบไม่ต้องไปคิดวินิจวิเคราะห์อะไรต่างๆดูเฉยๆดูซื่อๆนะไม่ต้องเอาคำตอบอะไรนะจิตมันจะกลับมาของมันเองนะ ที่จริงการดูเฉยเฉยเนี่ยมันเป็นการเป็นการปล่อยวางนะปล่อยวางเรื่องที่เป็นความคิดปรุงแต่งต่างๆนะมันดูเฉยเฉยจิตไม่ปรุงแต่งก็คือสภาวะวิสังขารที่จริงคําว่านิพพานก็ในคําพูดอีกแบบหนึ่งก็คือวิสังขารก็คือนิพพานนิพพานก็คือการไม่ปรุงแต่งเป็นความว่าง ความว่างจากการปรุงแต่งความว่างจากการมีตัวมีตนนะอันนี้คือสภาวะนิพพานะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านพยามคี้ว่ามันไม่ได้อยู่นอกตัวนะมันไม่ใช่อยู่ที่อดีตหรืออนาคตไม่ใช่อยู่ที่ชาติหน้าหรือชาติไหนๆนะแต่มันอยู่ที่ตอนนี้แล้วก็อยู่ที่เดี๋ยวนี้เท่านั้น สภาวะตื่นรู้เบิกบานมันก็จะปรากฏขึ้นในใจของเรานะถ้าเรากลับมาทาแบบนี้ได้เราจะเห็นอ้อพุทธพุทโธหรือพุทธเจ้านะก็คือสภาวะตรงนี้เองตอนนี้นี่เองนะทํมไมพุทธเจ้าท่านพอตัสรุตมีคนถามว่าจะเรียกพระองค์ว่าอะไรพระองค์ก็บอกเขาว่าเรียกเราว่าพุทธก็ได้ ไม่ต้องเรียกอย่างอื่นนะแต่ก่อนถ้าก็อาจจะมีชื่อเนาะแต่ก่อนเป็นเจ้าชายออกมาเป็นนักบวชเป็นศิทธตนะแต่ที่จริงโดยนั้นคือโดยสมมุตินะถ้าจะเรียกเราให้ถูกตามสมมติจริงๆก็เรียกเราว่าพุท ธ, ธะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้นะเพราะว่าท่านคนพบว่าออ รสภาวะผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานนะนะตื่นรู้เบิกบานเนะี่ยมันอยู่ภายในของเรานี่เองนะเป็นการเรียกโดยสมมุติเรียกโดยนามธรรมนะว่าเนี่ยพุทธะคือแบบนี้เราเองก็สามารถเข้าถึงพุทธะแบบนี้ไดนะ้เราก็จะเห็นนะในในฝ่ายมหายานเนี่ยเขาจะเน้นเลยว่าที่จริงพุทธะหรือพุทโธนะหรืออมิตตพุทธเนี่ย มันอยู่กับคนทุกคนอยู่กับสัตว์ทุกสัตว์นะอยู่กับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะมันมีสภาว่าพุท ธ, ธะอยู่ทั้งนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้วิธีหาพุท ธ, ธะนะก็เรียกแต่พุท ธ, ธะเรียกแต่พุโทโธเรียกแต่อตริยตธรรมนะเหมือนคอยไปเรียกหาคนอื่นนะไปคอยตามหาแต่ไม่รู้ว่าพุท ธ, ธะพุโทโธจริงๆเนี่ยอยู่ในใจของเรานี่เองะนะนะลอง กลับมาหานะแต่ไม่ใช่หาหรอกกลับมาสัมผัสนะกลับมาสัมผัสนะสัมผัสลงไปในกายนะสัมผัสลงไปในใจดนะูรู้สึกอยู่กับเขานั่นแหละนะเราจะเห็นสภาวะพุท ธ, ธะตรงนั้นอยู่ในกายในใจนี่เองเนาะอืมอก็ฝากไว้